ขอเชินพอทุกท่านะก่อนอื่นก็ขอธูลธรรมาธิชาบริบาลตำรวจได้จัดงกิจกรรมในทางที่เป็นประโยชน์ได้ทราบว่ามีการรวมกลุ่มสมัครเสมอนะทั้งการพูดคุยกันในะแวกวงของสมาชิกเดิมแล้วก็การรวมกลุ่มการทาประโยชน์ที่ทั้งต่อ สองคมส่วนรวมแล้วก็ต่อภศ า, าสนาอัตมาเองก็ยินดีนะที่ได้มาได้มาร่วมกิจกรรมของกลุ่มบบราณะนะถึงแม้ว่ากลุ่มบบรณากชนบทนี้จะเป็นอดีตไปแล้วนะแต่ว่าอัตมาเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางกลุ่มบรรบราํานบทด้วยเพราะว่าอัตมาเนี่ยเคยเป็นชาวข่ายมาก่อนแต่เป็นชาวข่ายสมัยที่เป็นนักเรียนนะสมคัน พวกเราที่ทําค่ายก็ต้องได้อีกชื่อค่ายบุรีรัมย์ชนบรีอัตมาก็ก็เคยได้ไปพูดเปลี่ยนแถวเอสซีซีสถานการณ์ในพิษเสียนซึ่งเป็นที่ตั้งของบุรีรัมย์ชนบุรีก็ได้รู้จักกับสมาชิกและกรรมการหลายคนนะตั้งแต่สมัยที่อัตมายังเป็นนักศึกษาและยังเป็นนักเรียนมันธยม ก่อน14ตุาาลาจำได้ว่าทางบุราะชนวทเคยเชิญเสกสรรเกษตรกรมาบัญญายแถวสมาคมผู้ประอประโยชน์อะไรแถวรุสาวร์วีตอนนั้นก่อ14ตุลานะธรมาก็ยังได้ไปร่วมฟังบรรยายนะแล้วก็ที่ยรงธรรมารู้จักกับสมาชิกนะขั้งต้นเบื้องต้นของกลุ่มบุราะชนบทคือเสีัยวัฒนภาเพราะว่าแกเป็นนักสนะัมมชิก <PTSD> แล้วก็ตอนที่จะมาอยู่มัธยมเนี่ยมัธยมมสสามมสสี่พิเศษฤกษ์ก็มาช่วยงานของโรงเรียนพยายามฝึกิจสำนึกของนักเรียนให้เกิดความรื่นตัวนเรื่องของสังคมแล้วก็พิเศษฤก์ก็มีมาคิดต่อไปเกี่ยวกับการศึกษาที่อยากจะทําให้สําคัญมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาซึ่งก็ทำได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ตลอดรอดสอบเพราะว่าตอนจะเด็กกลางมุลา อะไรก็รกลับคืนไปสูส่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยกับอัตมากับกบุตรนักชนก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปินหางนะก็ถือว่าบุรนักชนก็เป็นส่วนหนึ่งของอดีตของรัฐบาด้วยนะซึ่งถึงแม้ว่าอัตมาไม่เดเป็นลูําค่ายบุรณันะแต่ว่า็ชืชอชนในการทำา ของกลุ่มบุรณะนะแล้วก็มสมาชิกกรรมการหลายคนธรรมก็คนเคยมีคุณหมูกับท่างตาม น, คนคี้กขเหมือนกันเราก็รู้จักกันะกตังแต่ก่อน14ตุลาที่บ้งแล้วก็1ิตุลาก็ไดนะ้มีการรู้จักพบปะกคุนเคยชาวเทศบาเป็นเด็กรุนนะ่นน้องเพราะตอนนั้นเพียงอยู่ม2ิ แล้วก็ได้ทำฝากระสอัเสมอโดยทั้งหน้าสุดก็เคยไปไปทาบุญบ้านอ่าแล้วตบก็เรียกว่าดิๆนะที่ทางสมาชิกของกลุ่มวารสารบดเนี่ยซึ่งได้เคยทำไปดีๆให้กับสำคมสม่วนรวมนะทั้งในคณะของกลุ่ม นนรูปภาพชมนได้ชัดเจนนะซึ่งแต่และนก็มีความ่าวงใยรักชาบ้านเมืองแล้วก็อยากจะทำประโยชน์ต่อสังคมซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนไม่ได้บเพ็ญได้บำเพ็ญปฏิธั น, นข้อนี้เนี่ยากตอบท่นสมมาแม้ ว, ว่าตอนนี้กับกาสู่วัยสวแล้วย mm hmm. ็ยังมีความสนใจแล้วก็จากกระบวนรก็มี ภาามสนใจในมิติของชีพิเพื่อคือโวยไปใช้เรื่องของสังคมทีวที่ดีนะในทัศนะของราดักหงทาเนี่ยปร ะ, ประอกอบไปด้วอย่างก็คือสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เราเนี่ยนอกจากจะทำตัวเป็นเด็กสังคมแล้เราต้องรู้ักบกับควาสมสงบเย็นด้วยแ้าความสงบเย็นเนี่ยก็เลยเป็นการที่เรานะรู้จักวางติดวาง ใ, ใจของต้อง ข้อข้อในนนี้ก็ค ม, มีส่วนเพิ่มิติของความสงบใจและเป็นประโยชน์ให้กับท่านะไม่วจะเป็น อ, อดีตสมาชิกกลุ่มเาชอว่าเป็นนิสยเพื่อนพ้อมที่สนใจในเรื่องของอชีวิตที่ดีงามข้ข้อปรนวันนี้นะไม่ทราบหลทาทราบไหมเินตายก า, าย <c oughs> งตายบางคนอาจจะไม่ทราบก็ได้พอรู้ ว่าหัวข้อพูดเรื่องตายความตายแล้วก็อาจจะตื่นประกอบก็ ไ, ได้แนละ้วพูดอะไรในช่วงเวลาที่คน้ใหญ่เขาก็ยังไม่เยอตายก่น อ, น, กอตกนตายหมายความว่ายังไงความหมายเบื้องต้นเล ย, ง, ยขข ง, ง, ง่ายที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือให้เรารู้จักซ้อมตายก่อนที่เราจะตายจริงทำไมต้องซ้อมตาย ก็เพราะว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยในที่สุดก็ต้องตายและเราแต่ละคนตายได้ครั้งเดียวและเมื่อถึงเวลาที่ต้องตายกิมควรตายให้ดีที่สุดการที่เราตายดีที่สุดตายเนี่ยก็ต้องมีการตั้เตรียมตัวมีทางซ้อมเพราะถ้าเราไม่ตัางเตรียมไม่ซ้อมเลย มันก็อาจะมายถึงความทุกข์ทรมารยามที่ใกล้ตายแล้วก็ถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เชื่อ ว, ว่าหากไม่เตรียมเลยเนี่ยนอกจากจะทุกทรมารยก่อนตายแล้วตายแล้วก็ไปอาลัลายก็คือไปไม่อยู่ไปทุกข์ติเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยแล้วแต่เป็นเรื่องที่ สำคัญหรือพอขาบาดตายน้อยกว่าเรื่องความตายเนี่ยเปยังซองนยหลายคนเนี่ยเวลาได้วฉันไปไปพูดในที่ชุมชน<ป>นะไปพูดในที่ชุมชนที่มีคนฟังเป็นร้อยเป็นพั น, พนไม่เคยขึ้นพูดอย่างที่มาก่อนน่นะหลายคนยังต้องเตรียมเลยสมมุติว่าเราได้รับเฉันไปพูด ที่เมืองทองมีแขกทาดีหรือสูญรเรียกิจคนฟังราวสอง3 0 0พันคนหรือไปพูดที่สนามฟุตบอลราชมังคลาศิริสงินคนฟังมหลายมค น, ค น, คนเราไม่เคยพูดมาก่อนเลยเราจะทำยังไงเราจะพูดได้ดีสิ่งนที่เราอาจจะพิโตกคือกลามประมาเราจะพูดในที่ชุมชนได้อย่างไร เราก็้อซ้อมก่อนถ่าต้องซ้อมพูดหน้าประจกถ่ายก็ซ้อมพูดต่อนหน้าคน2อสมคนแล้วก็ซ้อมพูดต่อนหน้าคนเป็นร้อยมันมีการพูดที่มีชื่อมากในประเทศอเมริกาหรือตอนทแพร่มาสู่เมองไทยเลือกเป็นการพูดที่ชื่อว่าเท็กซ์เท็เท็กซ์ Tech Tech Tech Tech Tech วาใเวลาแต่เราคอยดสิบปดนาทีนะหลายคนที่รับเชิญเนี่ยนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆเช่นการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์สังคมสงเคราะห์ธรรมชาติวิทยาทุกเรื่องเนี่ยนะเขาจะเชิญมาแล้วการผูดที่ชืวอตรเทศเนี่ยมีชื่อมากเลยตอนนี้ทุกประเทศเนี่ย <c oughs> ก็จัดรายการแบบนี้ขึ้น ได้ว่าร้อยของประเทศและเพราะว่าการแต่นะความนิยมมากทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าจะพูด18บแดนาทีนีเนี่ยถ้าพูดไม่ให้ตกไม่ให้ตกมาตายของซองนอย่พางโอบามาเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เชืวว่อมีวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยเวลาเขาจะพูดในงานสำคัญเช่นพูดรับตำแหน่งเป็นผู้สมัครตัวแทนพรัคในวอชิ์ตัเพื่อชิ ง, ง, ง, ง, งประธานาธิบดีเนี่ย ทั้งทั้งแรงและที่สอนเนี่ยไปฟังเตรียมผู้เลยนะต้องซ้อมก่อนคณะที่มีไทเลปอมเติดข้างหน้าเราเนี่ยก็ ต, ยต้องซ้อมก่อนด้วยไอเราเนี่ยนะในเมื่อเราต้องต้องเจอความตายแต่สิ่งที่มันสําคัญสิ่งมันแตกตา่างจากการพูดในที่ชุมชนคือพูดในที่ชุมชนเนี่ยเรารู้จะพูดมเมื่อไหร่เกินหน้าสอนเกินหน้าแต่ความตายนี่เราไม่รู้เลยวมันจะมาถึงเมื่อไหร่ แล้วถ้าเราไปซ้อมเลยเนี่ยนะเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราจะตายได้อย่างดีเราจะตายสงบเราจะไปดีแต่เรื่องประมาทนะทั้งที่รู้ว่าตัวเองต้องตายนะแต่ไม่เคยที่เตรียมเยมื่อ่เคยที่จะซ้อมเลยไม่เหมือนกับเวลาเราจะไปไปสอบเวลาเราจะไปสอมเนี่ยต้องพยยจะเป็สอบ สอบไล่สอบสัมภาษณ์สอบข้ามอันฉลายสอบสมัครงานแล้ก็มีการเตรียมพวกเราแต่ละคนเนี่ยซึ่งเคยเข้ามาฉลาอยแล้วทังเราทราบเราใช้เวลาในการเตรียมนานเท่าไหร่สอบเข้ามอฉลายใช้เวลาเตรียมสองปีสอบสัมภาษณ์ใช้เวลาเตรียมหลายวันบางทีเปนหลาย เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเรามีการฝึกการซ้อมตัวนที่มีคอรสทุกอย่างคอร์สโทมชาฝึกให้เราเนี่ยโทมชาไห้ถูกคอสอินคอรสฟคอสถูกพูดเพื่อเราพูดดีๆเรามีการต่าเกี่ยวรามีการถุกฝนเรามีการอบรมในเรื่องต่างๆมากมายแต่เรื่องทั้งหลายเานี้เนี่ยมันเทียบไม่ได้ เมื่อเทียบความตายความตายเป็นเรื่องสำคัญมากแต่กับไม่มีคนเตรียมไม่มีคนสนใ่ไม่คิดเทียเตียงไม่คิดเทียบ้องไม่คิดที่จะสืกสวนแต่แว่าใน้านเ่คนเราเนี่ไม่ได้มีหน้าที่ ชีวิตดี่ไหมแต่เรามีหน้าที่ต้องเตรียมตายให้ดีด้วยมีคนพูดว่าเนี่ยการที่เราจะมีชีวิตที่ดีไดเ้เราต้องมีจิตหมายชีวิตการที่จะอยู่ได้อย่างมีความหมายและมีความสุขเนี่ยวิตต้องมีจิตหมายแต่ธรรมชาติหลายป่นเนี่ยมีจิตหมายชีวิต บางคนก็ไปถึงแล้วได้บรรลุถึงหมายที่ต้องการบางคนก็กำลังรบะก้กใกกาให้ถึงจุดหม้ช่วยจะได้จากความสำเร็จในอาชีพราชการเป็นปลัากระ u o วงเป็นที่เปนดีเป็นผู้จัดการเป็น CEO เป็นเจ้าของกิจการระดับร้อยล้านพันล้าน บางอาจมีจุดมายเพื่อสัตว์ต่างชนิแต่ลืมว่าชีวิตเนี่ยจะนึกถึงแค่จุดหมายอย่งไรฟอเพราะว่านอกจากชีวิตอันนี้นอกจากจุดหมายชีวิตแล้วเนี่ยเรามีปลายทางชีวิตด้วยจุดหมายกับปลายทางบางทีนีก็เป็นอันเดียวกันนะแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่เนเ ไปจุดหมายชีวิตหรืถึงจุดหมายชีวิตแล้วเนี่ยเราจะดูป ล, ลายทางชีวิตวทุกชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะมีจุดหมายหรือไม่ไม่ว่าจะเรูปุจุดหมายหรือไม่โดยหลักการต้องมีปลายทางที่มันหลายคนเนี่ยคิดแต่เรื่องจุดหมายชีวิตพยายามไปให้ถึงแล้วก็พยายามรักษาจุดที่บรรลุเอาไว้ใหไ้ได้อยู่ยาวนาะ แต่ลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีปลายทา ง, ปล า, ทางออปลายทางคืออะไรปลายทางคือความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดถึงแต่เรื่องของอาการมีชีวิตที่ดีการเรื่องถูกหมายของชีวิตไม่เราจะสูงสมง่ไหนเราต้องมึนถึงปลายทางแล้วก็อยากตักเตือนเพื่อที่เราจ ะ, ะเผชิญ กลับไปทางชีวิตได้ด้วยใจที่สงบปกติถ้าไม่ไี่เห็นผล น, นะเพราะว่าทำไมเนี่ยเราควรจะซ้อมตายก่อนที่จะตายจริงเราควรที่จะตัดเตรียมให้พร้อมตาย บางทีเนี่ยอาจจะเปลียบการตายอีกอย่างก็ได้ว่าเมื่อการสอบไล่หน้าที่ของเราเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเรามีหน้าที่ที่จะเรียนวิชานึนั่นคือเรียนวิชาชีนี่ไม่ว่าเราจะเรียนเรียนสูงแค่ไหนก็ตามอันนั้น เ, นเรื่องวิชาชีน์แต่เรียกว่าวิชาทั้งโลกก็ได้แต่วิชาที่เราพลาดหรือพลาดไม่ได้ วิชาชีวิเราเกิดามาเพื่อที่จะเรียนวิชาชีวิบางคนไม่สนใจเรียนบา็คนเสร็จสนใจเรียนแต่วิชาชีวิแต่ทุกวิชาเนี่ยมันมีการสอบทั้งนั้นวิชาภาษาอังกฤษสถิติศาสตร์คุณศาสตร์บัญ ช, ช, ชีเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบวิชาชีวินีมม่ก็เหมือนกัน พี่ชายชดนี้นมันมีการสอบอยู่เรื่อยๆนะแต่เราอาจจะไม่คิดว่ า, า, งว า, า, า น, ง, ง, ง, กก น, ง, คนงคือการสอบเห็นถูกต่อว่าหลังพอเราถามมาได้ไหมเงินถูกโกงทรัพย์สมบัติถูกขโมยสูญเสียคนรับนี่คือการสอบแต่ยังมีการสอบซอกนะครับ หรือไม่ก็สอบชอบในการสอบสอบเล็กสอน้อยไม่ใช่สอบไล่อาจจะเนแค่พิจารสอบไล่เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเมื่อเรามาถึงปลายทางชีวิตได้นคือความตายความตายคือการสอบไล่และไม่เหมืนการสอบไล่ในทางโรคในทางในในโรงเรียนในวัดชลาร์สอบไล่ ในโรงเรียนสอบตกก็ อ, อยู่ที่เดิมเป็รับสามชั้นใช่ไหมสอบตกก็แค่สามชั้นนะหรือบางทีสอบซ่อมเถอะแต่สอบใกล้พิชารจริงๆนะสอบตกก็ตกจริงๆนะคือใบละใบนะแล้วไม่มีการแก้ตัวไม่มีการสอบซ่อม สอสัมภาษณ์สอบมทหทยายเนี่ยมีการมีการซ่อมมีการแก้ตัวมีการสอบใหม่แต่สอบรวิชาชีวิตเนี่ยตกแล้วก็กตกเลยแต่ที่ใจตรงนั้นคือว่าอย่างท่มาบอกเราไม่รู้ว่าจะสอบได้เท่าไหร่สอบวิชาต่างเนี่ยมีการบอกว่าจะสอบเทไร่ไอไส สอบลายเท่าไรสอบกลางเท่าไรสอบแข่งขันเท่าไ ร, ส อ, อาอไรสอบสองภาคเท่าไรแต่สอบลายวิชาชีพเนี่ยไม่บอกําเท่าไรอาจจะพรุนี้ก็ได้อาจจะนนี้ก็ได้ต้อแป ประมาอย่างริงหลายคนทุกวันนี้เนี่ยมีชื่อของคนลืนตายมีชื่อขอคนลืตายคือืมไปว่าวเอต้องทำที่เราจะต้องมีวันพรุ่งนี้อยู่เรื่อยๆบางคนที่เจบสียงแล้วคนที่ายสิ่แล้วก็ยังยังลืมไปก็าตเอต้องตายแต่แต่มันก็มีบางครั้งนะที่ มันจะมีความคิดผดขึ้นมาว่าสัปดาห์เรต้องตายเวลาเราได้ฟังข่าวพ่อเพื่อนตายแม่เพื่อนตายญาติผู้ใหญ่ตายหรือว่าเพื่อนของเราตายเนี่ยมันก็จะ ส, สะเทือนไปถึงข้างในหัวใจและมันเตือนเราว่าสัปดาห์ก็ต้องถึงคราวแล้วสัปาก็ต้องถึงตากังฉัน พอลึกขึ้นมาทีไก็เสียวสยองแล้วก็พยายามพยายามลืมต่อก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองลืมว่าจะต้องตายสักวันหนึ่งต้นอ่างนี้เปวิธีที่จะทําให้ตัวอยู่ตายได้อย่ายวิธีแต่สุดท้ายคืออยากทำตัวให้วุ้นทาใจไม่ได้ว่าทําตัวให้วุ่นกับการงานนะเอาแต่เที่ยว เที่ยวผ้าสนุกสนานเครื่องเรินว่างเท่ายหร่ก็ต้องทำโน่นทำนี่ไปเพื่อโนโน่นคนนี้เพื่อให้เคยพูดเอาไว้ให้ใจแม่ว่ามันจะได้ไม่นึกถึงความตายเพราะในถึงดังเนี้ยจอรูสุกสั่สะเทือนไปถึงก้นหนึ่งหัวใจเวลาใครพูดเรื่องความตายก็ไม่ออกอยาพูด ไม่ดีเป็นอามของคนแล้แต่ครืา่าความตายที่งหลาูดก็ต้องเรื่องเป็นไปนใช้คำสิ้นชีวิตถึงแก่กรรมสิ่งลมจากไปไม่อยู่แล้วอย่างนี้เนีเราพยายามใช้คำอะไรก็ตามเพื่อจะมาชี้แจว่าความตายเพราะถ้าพูดถึงคำคานี้นะมนสักทาง มัเตือนให้เรารู้ว่าเราจะต้องตายสักวันใดไม่วันใดก็เลยไม่อยากที่นักรีาความตายคำข้อความตา ย, าาตายเป็คำพูดจาร์เราพูดไม่ได้ต้องไปใช้คำอื่นหรือจะไปทำสูภาพอันนี้ข้ออะไรข้อเราไม่อยากจะมีอะไรมาเตือนให้เราเรื่องขเราจะต้องตายเราอยาจะอยู่เหมือนคนยืนตายแล้วมันเตือเนี่ยพาเราพูดว่าเราเป็นโรคราย เป็นอะไรเรื่ี่โรคหัวใจไตวายอันนี้เป็นโรคที่คนสมัยใหม่เป็นกันเยอะนะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตวายวาวาวาเบาหวานเะไรโอกาสที่พวกเราอยู่ที่นี่จะเป็นโรคนี้หในหใน้ในโรคนี้ขนะ้าสิบเป็ พอเป็นเข่าเนี่ยบอกว่าฝ่ายคนเนี่ยจะมีอาการโดยเว่าะตายทั้งเป็นหรืออยู่เหมือนตายก็คือว่าตกบใจหมดพลัไใจอย่างไมชีวิตกินไม่ได้นอน่าจะเสื้อผ้านหน้าผมไม่สนใจปล่อยทิ้งเลยพอรู้ตันเป็นเมเร็งแม่จะเป็นเมเร็งขั้นที่สอย อันนี้เรากมอยู่หลนตายคือมีตะกอนหายใจแต่ว่าข้างในไม่มีชีวชีวะอันนี้มักจะเกิดเพื่อนคนที่แบบยืบนตายนะพอเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนกับตายทังเป็นหรือว่าหลงตายแล้วพอถึงเวลาตายจริงๆนะก็จะมีอาการที่คนโบราณเรียกว่าหลง ต, ตายหลงตายคือว่าตายแบบไม่มีสติเพื่อเราทุรไลผัสสัสาะและถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ มีโอกาสมากที่พอตายแล้วก็จะไปอภัยเรา้วแลไปสูปกติบางคนเขคิดว่าก็รู้แล้ว่าฉันต้องตายแต่ก็กรับมาไม่คิดว่าถึงเวลาผมไปว่ากันตอนนั้นตอนที่ฉันขอทางานในขอหาเงินแต่ขอสรุปนะฉขอใช้ชื่อตี้คุมก่อนนะไปคิดว่าเมืถึงเวลาที่ต้องตายนะไปตายด่ากัน ไปตายตั้งนต่คุไปว่ากันขั้งนตาตอนนี้ยังไม่ต้องเตรียมเลแต่พอถึงเวลาที่จริงๆนะส่วนใจก็ตกมากตายก็คือว่าทุกทรมานโกรธรวนต่ฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายหมอทำาไงก็ได้ฉันอยือได้นาน หรือประเภทคุว่าอย่จตายบอกอยากจะตายถึงเวลาไม่อยากอยู่แล้วมอกอยากตายหลือเกินเพราะมันเจ็บปวดทรมานมากอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิกิริยางคนที่คิดว่าไปตาจากหน้าแล้วถึงเวลาเ้าก็บกมาตายก็ไปไม่เป็น แต่เราไม่เคยต้องลงเลยแบบนั้นถ้าว่าเราตลัด ว, ว่าเตลาดเชื่อแต่วันนี้ว่า เ, ออเราจะต้องตายนะที่เราเนี่ยไม่ว่าจะรุ่งเรือแค่ไหนเนี่ยในที่สุดก็ต้องมาถึวันนี้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็ในชีวิตตามไม่ว่าเราจะอยู่บนยอดภูเขาที่สูงสุงดในโลกตามเนี่ยสุดท้ายก็ต้องลงจากเขา ถ้าเมอเราตระหนักอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยไปไล้ผ่านเลยไปโดยปล่าประโยชน์เราก็จะมีความเกิดไปของการเพียมตัวเตรมใจเพื่อรับมความตายพิธีการเตรียมตัวเตรยมใจวิถีที่คนโบราณโบราณเขานิยมทําตัวการเตลเมอรนัสสติการรู้ถึงความตายอยู่เสมอก่อนนอนก็อาจจะนึก่งฉันกำลตายคืนนี้หรือสมมติว่าฉลังจะตา เร้องเียมปล่อยวางทุกอย่างภาพให้เราตายคืนนี้ก็ไม่ไมีอะไรที่ต้องห่วงต้องกังวลอันนี้ว่าสองตายซ่องตายก่อนที่จะตายจริงซึ่งมันเย่าที่สงหน้าทีเดียวมันช่วยทำให้เราเนี่คุ้นจริงความตายมันเป็นการซ่องเพื่อที่ว่าเวลาเราตายจริงเราจะได้ไม่หวาดกลัว พเพราค้นชินกับมันไม่ใชเป็แบบแนเรื่องแปลกใหม่อะไรก็ตามที่เราคุ้นอะไรก็ตามที่เราทำบ่อยๆทาําซ้ำๆเนี่ยความกลัวความประมา่ามันก็จะ น, น, น, น, น้อยลงความมั่นใจก็จะมีมากขึ้นที่อยา่างการเจรหนอนและสเต็มช่วยในการเช็คว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนในการตามยในสถานะตรงไหนบ้าง เพราเวลาเวลาเลาราซอมตายนนะเราก็จะไม่เปลี่แต่เตือนบอกตัวเองว่าตอนนี้เราจะตายนะคือที่เราจะไม่ฟื้นนะร่างเราจะตายึงร่างที่แข็งกระดา้างเหมือนท่อนม้แต่ว่าเราจะต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆที่เราเคยมี หรือเคยเป็นเพยงต่างๆที่เรารักเรา่วงแหนเวลาเจอมนกเส็จะพิจารณาไปว่าต้องจาจากพลาจากทัสมบัติทรสมัติอะไรที่มีก็จะต้องก็ต้องลาธิคไปารการที่อุกกร่งตุ่เทนก็จะไม่เหนกังได้ทำอีกเสียงร เราเชื่อเสง็นที่รู้ไปต้องทิ้งไว้ให้เป็นอดีตไปแทนที่สมาชิกว่ารูปที่เรารักเราก็จะได้เราก็จะไม่ได้พบเขาอีกแล้วพ่อแม่ผู้มีพ่อคือบุพการีเราก็ไม่อาจจะดูแลเขได้ต่อไปการพิจารณาแบบนี้เนี่ยการนึกแบบนี้ มันจะเป็นการเช็คในตัวว่าเราพล้องตาจริงไหมอะไรที่เราติดต่ลงทุกอย่างบงคนเนี่ยพอคิดถึงทรัพย์สมบัติเนี่ยปล่อยวางได้คิถึงงานเนี่ยวางได้ทำทำตุ้มใจทำานมาพอแล้วถึงประาที่ฉนจะพัแต่พอคึกถึงลูกเนี่ยโอ้โหหน้าตาเปนไหลเลยถึงแม่คิดถึงพ่อก็จะเกิดการกระสับกระส่าย บางไม่อยากจะไปต่อไม่ต้ไม่อยาคิดต่อแต่การี้งนี้เป็นข้อดีนะมันทําให้เรารู้ว่าเรายังติกขางที่ตรงไหนนะเลยไปคลองที่ตรงไหนเพื่อไปร้องแล้วเนี่ยเราจะได้ถังไปจัดการให้เรียบร้อยสมมุติว่าเราคิดถึงลูกเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ขทำที่ไหนกาว วารุ่ขึ้นเนี่ย น, นบบะเลื่อ็คืนนั่นเลยไม่ได้จนเรลุกขึ้นม า, ามที่ในกรรมท่านบางคนนะไม่สามารถจะตายได้เพราะว่า พ่อแม่ได้ถึงเวลาพ่อแม่จะตายถึงเวลาพ่อแม่จะไปเนี่ยก็ปล่อยวางเรื่องลูกได้พ่อรู้วลูก เ, เนี่ยเขาจะโคมเฉยเขาจะอยู่ได้ถ้าที่ไม่มีเราก็าจะยอรับความตายของเราได้หรือ ถ, ถ้ารู้ว่าเราติดกับเรื่องพ่อเรื่องแม่ไปไม่พ้อมตายในคืนนี้วันรุ่งขึ้นเราก็จะพยายามคิดหาโอกาสที่จะดูแลพ่อแม่มขึ้นอยู่กับท่านนานขึ้นบ่อยขึ้น ซึ่งถ้าเราทำได้ได้จนเต็มที่เน่เราก็จะสบายใจเราก็กกกกกปล่อยาวางได้อันนี้เป็นวิธีการที่ช่วยทำให้เราเป็นมีวความพร้องในการในการตายมากบางคนเนี่ยนะเวลาเวลาเจอเราแลกวสติเนี่ยแักว่วยตัวเองตายไม่ได้ก็ยังทำความดีไม่พอรู้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ ว่ารุ่นขึ้นก็พยายามที่จะทําความดีบอกว่าพยายามพยายามที่จะสร้างสมคุณงามความดีนะครให้การที่สร้างสมคุณงามความดีเนี่ยมันก็เป็นการสร้างหลักประกันให้เราตายดีได้ง่ายึงนพราะคือเจ้าเคยเคยกล่าวไว้ตอนที่ท่านเปิดพระโลหิตศัก์ พระพิทธที่สคือพระเจาในชาติก่อนๆที่เสด็จมาตัศรถัสบาสมุทอย่าในชาตินี่ยระพุทธที่ส่กล่ า, าวามมา ว, ว่าเมื่อตั้งมันในธรรมจไม่กวความรุงที่ที่บอกว่าเนี่ยพราพเจ้าจไม่เคยทำช่วยในที่ใดเลยถึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงนันกฟังเราเมื่อเราทาความดีเนี่ยมันจะมีความกลอ ยอารับความตายได้มากขึ้นรู้สึกว่าชีวิที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้อย่างมีคุณค่ามีความหมายแล้วก็เชื่อว่าถ้าไปก็ต้องไปดีปักระโรคที่รอข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสุบติไม่ใช่สุบติเรื่องบ่ายนันการทําความดีเนี่ยนะมันต้องเป็นเป็นหลักประการอย่างหนึ่งนะในการทําให้ตายดีไนดะ้ แต่ก็ไม่แน่สมอไปนะเพราะว่าทำความดีมากมายเกณฑ์ดเนี่ยก็ต้องรู้จักวางใจด้วยและวางใจอย่างที่สำคัญนะเดีวยวพาในเวลาใกล้าตายหรือการปล่อยวางมีคุณหลวงพ่อติกรบธรรมะธรรมบอม่านะชอบพาคนชอบชวนคนไปทอดกฐินทอดท่าป่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารในวัด ที่ทุลักทุเลแค่ท้โยสเต็ม่ปีแล้วที่ต่พกแเป็นมเรียนแล้วเรียนที่จะไปเขาุ่รามเร็วมาเรียนสุามชินเนี่ยแมีการสะสมสะสมตอนนี้จะพูดไม่ได้เลยคนที่ในช่วงยนทาชินเนี่ย บางทีจะถึงตุวที่พูดไปได้จะไม่ได้กรสากระส่ารูปหลายก็คิดว่าพ่อเนี่ยเาธรรมะธรรมโมถ้าได้ฟังเทปธรรมะพระสวดมนต์ก็น่าจะสงบได้แต่พอเปิดเทปธรรมะนะพระสวดมนต์ก็ยังกระสับกระส่ายไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นตนกระท่านเพื่อนสนิทมาถึงพอเพื่อนเรียนรูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่พูด กับผู้ป่วยไปคุยนะข้างบอกว่าไอโ้โบที่ยังสร้างไม่เสร็จะไม่ต้องห่วงนะ เ, เราจะสร้างให้เสร็จเท่านี้แหละสงบเลยหรือประสาประสาใจว่าอะไรใจว่าเป็นคำพูดที่โหลใจก็แปลว่าลุงคนนี้เนี่ยนะจะยังเป็นห่วงเรื่องสร้างโบจากคนที่ทําอะไรต้องสําเร็จทําอะไรแล้วต้องเสร็จ ถ้าคนจะตายแล้วเนี่ยยังตายไม่ได้จิตมันยังต่อสู้ความตายเพราะว่ายังหวงยังวางเรื่องตายไม่ได้ให้การสร้างบุญก็เป็นบุญกุศลนะเป็นบุญที่มีที่สมมากแต่ว่าถึงเวลาจะตายเนี่ยต้องวางให้หมดนไปเึก่ิดในบุญเนี่ยบุญก็มาสามารถทำลายจิตใจเราได้ความทึกในทุกอย่างเนี่ยนะมันสามารถจะส่งผลเสียนย้อนกลับมา ทำ ล, ลายเราอาจารย์ก็เคบอกว่าเนี่ไอความดีในทวีตที่ถงมานี่ยเก็กลับเจ้าของแ้ทานสร้างปวสร้าวิหารเนี่ยเป็นความุสลเพียงใดทำเท่าไหร่ดีแล้วแต่ถึงเลาตายไม่มีปัญญาไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะทำแล้วก็ทำว่าท่านทความดีเนี่ยะมันเป็นหลักการในการช่วยให้ตายดีแต่ว่า ไม่ใชเป็นการประร้อเสิ่งทีช่วยให้ตายงี้นะก็คืการปล่อยวาในสมายพุทธกาลมีมีผี้หนึ่นคือพนางมารีการเทวีปนนีพระเจ้าคุณเทวีพระเจ้าปัจเจกที่เหมาะสมริการเทมีเนี่ย เป็นคนที่่วนให้ไป้ไปใช้ที่เกิดสาคัญเาสนใจเพื่อศาสนาเลิกการบูชา ย, ยันด้วยการฆ่าสัตว์แต่หันมาถวายทางทำเพื่อใกั บ, บคนก่นนามิการ์ีเป็นผู้ที่สวยแต่ว่ายุคสั้นอายุยี่ปลายปายสามสิบต้นปิดก็ก็เสียชีวิตแบบรวดเร็วแต่ตอนจะตายเนี่ยนาวไปขึ้ถึง เหการตอนนึง่งก่อนหน้านั้นไม่นาที่ไปโกหกะเจ้าเสด็โกสกในเรื่องที่ไม่ค่อน่าในเรื่องที่น่าอ า, ายโกหกสำเร็จนะแต่ว่าตอนต่างเนี่ยจิตใจเศร้หอเพราะรู้สึกผิดที่โดินทำผู้สาวว่าไม่ได้มีเรื่องใหญ่โกเลยไม่ได้ค่าใครไม่ได้ไปรับขโมยใครแต่ว่าให้ความที่ความที่เป็นคนที่ยึดติด ในความดีเนี่ยติดติดในสีเนี่ยพอพอพอเราถึงว่าจะโกหกเจ้าเจงจะโกโซ่ี่ติดใจก็เศร้นโง่จสุดท้ายเนี่ยยังไปโง่เดียวเอาผ้ากันตะไบติดเศร้าองก็เลย ต, ตายไปอภัยไปในปปนรบเจ็ดวันวอันนี้เหยื่อตายไม่ดีนะถ้าที่เป็นคนดีต้องเลืบไปว่า การตายนี่เราก็ถูกสอย่างว่าก่อนตายอย่างตุลาุายรว่าตายอยสรู้สึกตัวแล้วเร่ที่สองตัอตายแล้วไปใหม่เอ่อคนอย่างเราู่ตัวเราเนี่ยไม่คยรู้หรอกว่าคนตายเขาไปดีหรือไปไม่ดีแต่เราก็จะรู้ว่าก่อนตายเนี่ยเขาตายเสียตุราตุายที่ตายอย่างทุรุรายเนี่ย กม็มกะ็ไม่ได้ตักเตียงไม่ได้ตักเตียงไม่ได้คุ้นคิดในเรน่องนี้ว่าเมื่อเวลาจะตายจะมีเวไาแค่ตายดีอาจจะนึกถึงการตายอยู่ดีอยู่ดีนี่ก็แล้วแตจะที่ยาก็าคืออย่างมั่งคัางร่ำรวยหรือว่าอยู่ด้วยการทำดีทำคว า, ามดีแต่แม้อยู่ด้วยการทำ ค, ความดีเนี่ยนะมันก็ยังไม่ใช่หลักประกันควาเป็เส การปล่อยวาง่จะช่วยได้และการปล่อยวางท่อเตรียมนะฮะเพราะธรรมชาติของเราที่ไปาำวาเนี่ยเราอยู่ในความตึงตึงอนี้เราทุกอยู่ ท, วทุว่นนี้เี่เพราะเราติตึงคองทายก็ทุกงานไม่สำเร็จก็ทุกรถติดก็หน้องนีนะุกคน ลิขาก็ขุนเคืองคนไม่กดไปก็ไม่สบายใจให้พวกนี้นะเป็นเรื่องความติดติดเงี้ยะติดติดในทรัพย์ติดติดในหน้าตาในชื่อเสียงแล้วถ้าติดเนี่ยนะซ้ำแล้วซ้ำเราเนี่ยมันจะปล่อยวากเลยอะ ถ้ามันน่าแปลงนะคนเราไม่ยึดติดในสิ่งที่ให้ความสุขกัเราเนทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเต้เนเราเตมบ้างคนรักแล้วสิ่งให้ความสุขกับเราเรา่ยึด น, น, นะช่ความโกรธความเปลี่ยนความเศร้าคนเวลาโกรธนี่นะผู้ขายความโกรธมากลใครจะมานะนว่าแหย่ใครูไม่แหย่หยหูไม่แหย่ใคร แถมโกรธตอนที่มาแจ้งเราให้ยังไปจริงมีอำนาจเงินอี่เจ็ดสิดกว่าดดววเป็นคนดีอนโย่เท่าเฟือแต่เวลาพูดหรือึถึงผู้ชายคนนึงเนี่ยเปโกรธมากที่สายเปลี่ยนเปคนคเพราะว่าเป็นคนที่แกเคยช่วยแต่ว่าเขากลับไม่สมกับตัว น, นของแกแะแถมงเร่รับผ เคยจะพูดเคยจะบกเคยจะด่าว่าลูกสาวเนี่ยพ่อครั ว, วแม่เนี่ยนะจะป่วยเพราความอาฆาตเพียบป่และวกลัวว่าเนี่ยถ้าฆาเพียบป่เนี่ยหรือว่าถ้าโกรธแเนี่ยถ้ตายในตอนนั้นเนี่ยไปสบายลูกสาวก็จะบอกแม่ว่าให้อภัยเธอแม่ที่โกรลูกลนกะวดลูกเสมอว่าลูกนี่กำลังมาแห่งของรับของหัวไปจากแ ให้ความโกรธที่มันน่ารักน้าห่วงที่ไหนแต่คนเราห่วงนะบางคนห่วงยิ่งก็ทราอีกบริาจากนั่นเป็น์สารเนี่ยให้ได้เลยอยู่ที่ไม่ไม่คิดอะไรแต่เวลาจะสลับความโกรธที่ไม่ยอมนะหวงแข็งความโกรธแล้วนะโกรธลูกที่มาแนะนำว่าให้อภัยให้เธอความเศร้าเหมือนกันนะเราหวงแข็งมากเลยอิตตึงมากเลยเวล่เาเศร้าเนี่ยเลยพ่อคนรักจากไป เราที่ถืออกทางนี้เราทำยังไงเวลาเราเศร้าเวลาเราเกิดทางการแบบเกิดโรคประจาวันนี้เราก็ยังนั่งเศร้าจาะจุกแม่ไปใส่เพื่อมาช่วยให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปเพื่อนมาคนหนึ่งนะสมัยที่ยังสาวอยู่เนี่ยเขาเราว่าเคยได้เจอเคยไปชอบผู้ชายคนนึงและผู้ชายคนนั้นเนี่ยเคยจะมาซึ่งทําไม่เจอรู้วผู้ชายคนนี้ยไม่ได้ชอบเธอ อย่างที่เธอต้องการเธอก็เศ้าผู้โกครับนั่งซึมเหมือนีีตรนไม้บังเอิญเพื่อนเนี่ยสีห้าคนมาหาคนขี้ที่หน้าบ้านแล้วก็เรียกเธอชวนเธอไปเที่ยวไปเที่ยวกันพอเธอที่เพื่อนเรื่อเธอชวนเลื่อนเลในใจเวลาประสบก็ไม่สมหวัง เวลาทุกข์เองคนมาแข่ความูอขอทุกต่อไปให้เป็นความไนี่เราควแข่งความทุกนะและคนนี้นะก็เป็นคนที่พร้อแต่สละเงนินเพื่อช่วยคนอื่นนะแต่กับการแข่งความตุ้ยติดความทุกมากแปบบ่มาถ้าเป็นนะิจกำลังนะเรายึดติดความโกรธเรายึดติดความเศร้าเรายึดติดความรู้สึกที่ แล้วทำไมเราไม่รู้จักปล่อยวางสิทแตวันนี้นะถึงอะไรจะตายนะในอารมณ์เราที่ไหนที่จะมาเรื่นมาบางคนก็โวยวายที่คนที่ไปโกรธโัวธท่อไหร่มีคนหนึ่งนะแต่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากเป็นผู้กินอาหารสุขภาพแักโรแบคิีชีวิติกกนะินอาหารเสริมที่ พวปนั่งเที่ยวซีเรีสนะสลายสาราสไปดูแ ล, ล, ลน้าแพงให้คนะไปซื้อสต่นะั้นะยังไม่มีตังดาวนถ้ามีตังดาวก็เอาไปพอการกังไกลฟิตเนสพื่อความเชื่อมั่นมะัเนี่ยเธอจะไม่เป็นอนะเลยใครกินอาหารเระเท <c oughs> เนื้อปิ้งมันกินไปทำให้สม โดเฉพาเนี่ยทํอย่านี้ทำให้เธออยู่อยู่พระว่าเธอเป็นเลยอยู่ท้งสิบกวเป็นั่นลยโกรธมากเลยนะไอคนที่ที้งราชสุริมันได้ป็นอะไรครูรักษาเป็นอาอทัพอยู่ดีมันเป็นมันทำให้อ่อนโกรดนะลู้เรืถูกหลอกนะลู้เรถูกหลอกโกรธนะ เก็งาความโกรธใส่หมอใส่พยมมาบาลไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ถ้าเป็นนี่มาตลอดเลยนะแกไม่อยอมไม่สามารถจะยอมรับโรงเยาบาลได้เก็บความโกรธเอาไว้แด้เวลาใครตามไม่สงบตาที่ความตุกขของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพึงเรื่องการตายที่ตายสนะเราต้องรู้ทํางการปล่อยวาง แล้วเราปวังสถนีน้แล้วถ้าาอยวางนี้นะมไม่ใช่จะสงเยนตอตายนะมันสงบเย็นที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้การเตรียมตัวตายนี่นะไม่ว่าจะการทำความดีประารการเรียนความชั่วกัรจัดปล่อยวางการเจริญมรนสติเสมอนีมีแต่ช่วยทำให้เราพร้อมเวลาจะตาย มันไม่ช่วยช่วยทำให้เราสงบเย็นเมื่อวัุดท้ายมาถึงแต่มีนทาให้ช่อิตในปัจบันของเราสมเย็นเป็นสุดเพื่อประโยชน์ให้ได้อ่ข้างหน้าประโยชน์ที่ปัจจุบันือถ้าเราปล่อยวางใครม่าต่อว่าต่อทอแล้วเราก็เราจะโรธแล้วจนะุกขท้ถือว่ามาฝึกปล่อยวางของหางินูกโกงยังไงปล่อยวางเหนเพราะว่า หลในการบานี่ให้เร า, เารู้กปล่อยวางและถ้าเราปล่อยวางเป็นเนี่ยนะมันจะลดความมิตกในตัวกูของกูจริงจิแล้วที่สุดนะคนเราทุกเนี่ยนะเพราะวิตกในตัวกูของกูนัสาวไปให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยให้เราทุกคนเราก็ทุกสี่เรื่องเลยหมืนทุกเรื่องซ เป็นเดือนนี่สินหรือว่าบ้านรถยุกจถูกขโมยหรือว่ายังมีเต่เดินให้พอบโบนัสก็กยังน้อยไปนะเรียกหลงๆกรเป็นสัพสองเรื่องสุขเรื่องรางกายเรื่องร่างกายที่ไม่ใช่แค่สุขภาพนะรวมทั้งเรื่องรูปร่างหนาตาด้วยปวดไหมปวดไปไหมขาวไปคล้ำไปทุกอย่างนะ ไม่สิวไหม yeah. หลายคนสุขภาพดีนะแต่เป็นทุกเรื่องทุกรา่างที่เป็นกันเยอะนะผมงงหงอกบ้างนะผิวเหี่ยวบ้างะก็ทุกนะ3สาเรื่องงานและก็เรื่องการเรียนสี่เรื่องความสัรรมพันธ์ตกครับเคนทำงานเอาเรียบเจ้งงาหน้าไม่เป็นธรรม่อรัใกใครจากใคร ปูต่อ ว, ว่าดาาัดทออันนี้ก็อยู่ย เ, เรื่องอาปาแต่ทสีเรื่องเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันมาอยู่ที่เรื่องโงของคนอื่นนะครับสุดท้ายถ้เป็นของคนอื่นไม่ทุนนะแน่นำได้ว่านี้เงินทองเป็นของนอกกายปล่อยวางเถอะแสนจะหาใหม่ได้แต่พอตัวเองเนี่ยนะแม่ค้าจ่ายจะไม่ครบนะคอยก็ไม่ครบนะถาดไปสิบลาทโกรธทั้ายเลยนะ ไปแลกเรียนไปอินเดียนะไปแลกเหรียญนะไปแลกเงินตอนเล่าไปลุงพีมันมันเที่ยวเรามาโกงเราไปร้อยปีโกร์หน้าเลยเพ่าอะไระพราะเป็นของกูที่หาไอที่คนอื่นทายเนี่ยเป็นของมองไม่ของกูอกขักเพื่อนอกหักแนะนำได้อกหักที่กรลให้เป็นแต่ถ้า มันเกิดกับเราเนี่ยไม่ได้นื่อะไรไม่ออกนลยบที่าจะ่าตัวตายด้่ยสูญเสียคนรับคนตายเีบางมีจะเล่าว่าอป็นราตรีจะเล่าว่าเมื่อปี60ท่านมีรถโดยสารเนี่ยชนกับรถไฟรังเมืองราตรี ตอนนั้นได้ความมีคตายมาที่3 0 0คนเแี่บางแค่ที่ในใจนะเออก็ดีเหมือนกันประชากรนี้ได้ลดลงหนึ่งช่วงต่อมาแกพบว่าหนึ่งในคนตายเนี่ยเป็นหลายแก่กับโวิเวียนเพราะนจะเจอตั้งหลายสิบนเถ้าถ้าไปแ็่สุดเลยใครตายเท่าไรเท่าไรเนี่ยเราไม่ถูกนะแต่ถ้าเกิด ลูกของเราหลายของเราเพื่อเราแค่ป่วย แ, แค่ทิการหรือว่าแค่ขาอักแขนหักโหยตุกมากทาไมตุกตาากทุกเพราะว่าตัวตัวเราถูกกระทบรู้สึกว่ากูเสียหน้าและนีแหละที่ความผิดมั้งตัวตัวนี้มันทให้เราโกรธตาทำใเราโกรธตายเพราระามันมีคำพูดว่ารัาตัวตัตาย แต่ว่าพ่อรับตัวเตัวตามแต่ที่รับตัวพ่มาอยูตัวกูอีก้ยการที่ทําให้คพ่อปู่ตายออกไปเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเราวางความคิดมั่นในตัวปูของปูคือมีบรรดาเห็นว่าไม่มีตัวปูเลยมันไม่มีของปูเลยก็เรียกว่าผู้กระทำมากคือปล่อยวาง เรื่องตัวกูของกูและตรงนี้แหละนะคือความหายของตายของตายความหมายที่สองอันที่ดาวพเนี่ยเป็นสม บ, บัติดาวุฤฒ์ทำไมเพราะว่าให้ตัวกูมันตายก่อที่จะหมดลมถ้าเราจะตายสมบนะต้องพยายามทำให้ตัวกูเนี่ย ม, มันดับไป ทำไมเมื่อตัวรูมันหายไปหรือเมื่อละความตัวกูเนี่ยไม่กลัตายเพราะว่าคำตอบ น, นั้นมันจะมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายมันจะมีแต่ความตายแต่ไม่มีความเสื่อมตัูกำลังตายมันมีแต่ความตสนาเพร่อแม่แต่รูประางกายายัายใจที่สื่อมสลายไปมันไม่มีครูไม่มีครูผู้ตาย ไม่มีูผู้ตาก็ไม่ทุกขนะ์ไงแต่จริงๆถ้าหากว่าเราลดเราวางเราาื่องตกวคูได้หนระือเราเห็นความจริงว่าไม่มีมตัวกูเนี่นะนยพยายามโผล่ก็ไม่ทุกขนะ์นยอันนี้มานไม่ทุกข์ใจทุกกายมีอยู่แต่ทุกใจไม่มีหมพดูหลวปู่ตากาวโร ทา่านรรดาผ่าเมื่อายนะุหนึ่งรเมื่อ23ปีที่แล้วตอนที่ท่านป่วยหนะักตอนที่ทา่านมีช่วงมีท่านป่วยต้องผาเอาที่หหมอผ่าเสร็จ15้านาทีหลจากนั้นท่านก็บอกว่าให้เป็นไร้ทช่วยแล้วคือท่านจะกลับบ้านะหมอแลนะียาบาลตกใจว่าท่านไม่ปวดเหรอคนที่ผ่าร้อยกท่านเปก่อนปวดเลย หงปู่ทําไงถึงไมปวดหลวงปู่ตอบว่าปวดสิทําไมไม่ปวดร่างกายของหลวงปู่ก็มือนคนทั่วไปนะแต่ใจไม่ได้ปวดไปกับร่างกายคนธรรมดาเนี่ยเวลาปวดกายนะมันจะไม่ใช่แค่นั้นมันจะมีความรู้สึกสําคัญต่อหว่ากู่ปวดมานมีกูผู้ปวดึ้นมาตรงนี้อะไรที่ทําให้ทุกใจ คนเราเวลาปวดเวลาเมื่อยเนยมไม่มีแค่มันจะไม่ได้เห็นเองแค่ากายปวดกายเวลาท้องปวดเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นเฉาแค่ท้องปวดมันยังมีความสัมพันธามหมายว่าปวดคือมันมีการปลุ่ตัวโผลขึมม้นมาเป็นผู้ปวดหรืออย่างคือมีการยึดเอาความปวดของท้องของไตเป็นความปวด เป็นการเรื่องการใช้ภาษาแต่ความหมายไม่จั น, นจก็คือมามีตัวคูขึ้นมาเห็นไหมว่าเราสามารถฝึกให้ตัวคูมันหายไปให้ตัวกูมันตายไปตัวฉันมันตายไปหรือว่าพืชให้มันถูต้องอวางความคิดพัฒนตัวกรูเนี่ยมาไ ม, มีผู้ปวดมาไม่มผู้ตายแล้วความกลัว ความคนตายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความทุรนทุรายฟนะอกกูขวดฟอกกูระรตายเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเร่งการศึกให้ตายก่อนตายในควาที่สองสคัญ น, นะฮะและถ้าเราทำได้มไม่ใช่ว่าจะช เ, เราตายสงบเียวมน่ยทําเรามีชีวิตอย่งเ่องเย็นด้วยอย่างบเย็นใครมาโกรธถ้าใครมนต่อว่าตาโอแล้วก็ไม่ถอะไร งานไม่สำเร็จเราก็ไม่ทุกเดินทายน้าท่วมไฟไหม้เราก็ไม่ทุกเจ็บป่วยก็ไม่ทุกก็ยิ่งใ้ส่งจริแต่ไม่ดิบแบบเฉยชาไม่ดูดแบบไรความหมายก็ยิ่งทตัวเพื่อประโยชน์ต่อผู้คนเพื่อเพื่อเราสามคนและทําได้ดีด้วยเพราะว่าให้มีความในตัว ไม่มีตัวค่ยรล้วมันจะเนตัวเรกก็ทำเองให้ใเต็มที่ไม่ได้กถึงตัวเองเองสมอสมุติยังไม่เป็นประโยชน์มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องการตายกับตายเป็นเรื่องที่สำคัญนะมันไม่ได้เพียงแค่ช่วยทำให้เราไม่ทุกทรมายในเวลาตายซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ เราบางคนอาจจ้สิบีข้างหน้าก็ได้แต่ที่แน่ๆคือว่าทำเมื่อไหร่ใจก็สมดุลเย็ น, นแล้วก็สามารถจะคำในตัวทั้นเป็นประ์ได้มากกาาก็ใช้เวลาส่วนตัวแล้วนะหลายนอาจจะมีคำถามตอเรากพูดแบบคุ้มๆกว้างเพื่อสนใจมีอะไรที่สงสัยก็สามางถามได้ ก็ านนะการให้ทานนะการให้ทานเนี่ยเป็นบรรดาทั้งต้นของการลดนะแล้วก็รับตัวปุ๋มของกูธรรมชาติของเราก็โหยแหง้งซับนะอยากจะมีซับมากๆไอ้การที่เราให้สลาไปเนะีนะ่ยบรรดนการช่วยลดความตืดมตันในซับลดความตืดมตันในของกู ต้องดึงพ่อการให้ทานเนี่ยแต่เราต้องให้อย่างถูกต้องวางใจเป็นถ้าเราทําบุญเนี่ยสิบาทเนี่ยเราอยากถูกลอตเตอรี่เป็นล้านเนี่ย น, นั่นไม่ใช่รถช่วยสิบบาทต่อวิ่งมาหรือว่าเราทําดีเนี่ยนะ ร้านแต่เราก็ อ, อยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าเราทำบุญเอาคุณใช้บูญใช่ไหม <prat ik> อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ลดราคาใช่ไหมมันมีการทำเรียออีโกค่ต่างๆ<โก>ใช่ไหม <S <S 1> <S 1> หรือว่า เรา <c oughs> ถวายอาหารให้หลุงพ่อหลวงตาหลูงปู่ถวายที่วัดที่ท่านแต่ก็ให้ท่านได้ฉันอาหารของเราเราก็เสียใจท่านไม่ครองกีวอของเราเราก็เสียใจ <c oughs> อันนี่สองว่าเรายังให้ด้วยความผิดพั่งอย่างที่ว่าเป็นของเราบา <c oughs> งที่ให้ท่างแต่เราก็เป็นของท่าน ท่านจะฉันไหมฉันเกิดเปเรื่องของท่านท่านจะผมไหมโหมเปเรื่องของท่านเพราะว่าเป็นของท่านแล้วแต่เราให้เนี่ยยัมีความคิดคอนของเราอยู่นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้แบบมีเยื่อใยยัไม่สลักให้วางจริตใช่ไหมยังไปคิดมั่นในในในความตั้งใจของเราถ้าเองให้เนี่ยรใ่ให้แบบให้กบบเสด็จน้ำเลย หรือให้ให้ครนั่นไปใช้ของเรานะอันนี้ไม่ใช่คํา่อร่างเดนะเวลาเราให้ใครเนี่ยเราให้เงินเราให้เงินเพื่อนนะเราให้เงินเนที่เข า, เ า, เเาต้องการยาแล้วเผื่อว่าเขาไม่ได้ใช้เงินนั้นเนี่ยตามความตั้งใจของเราเราก็ต้องไปทุกข์ด้วยพรให้ก็คือให้เลย แต่ส่วนใจให้มันมีเออยอะใหญ่แม้กระทั่งว่าให้แล้วเนี่ยยังอยากจะให้เขาสมุดบุญของเราพอเขาไม่สมุดบุญของเราโกรธถ้าเราขหวังว่าเขาจะตอบแทนเราพอเขาไม่ตอบแทนเราเราโกรธเราเกลียดเขาทั้งที่คอามดีเขาจะตอบแทนเราแล้วแต่มันไม่ถึงขั้นที่เราคาดกวัง เาตอบแทนเราหวัง 100, ร้อยเขตอบแทนแค่เก้าสิบเราก็ไม่พอใจถ้าเราก็เกลียดเขาหาว่าทําไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ไหนจะคุณหรือมท่วเราทำดุลไม่ขึ้นแล้วคนบอกว่าทำดีไม่ขึ้นอาจจะขึ้นก็ได้นะแต่มันไม่มันระวังใจไม่ เ, เต็มใจมันก็เลยตกส่วนใหญ่เนี่ยทําดุลกับใครมัขึ้นนะั่นแหละปัญหาคือ เราวางใจไม่เป็นใจเราตรื่นตมเนี่ยฝึกป่อยวางอย่างนี้เวลาช่วยใครเนี่ยลืมไปเลยว่าเคยช่วยให้ึิดว่าเหมือนกับเราเลียงแมวเวลาเราเลี้ยงแมวนะแมวไม่เหมือนไม่เคยพักทีกับเราเลยแมวไม่เคยสนใจความรู้ของเราเลยเราเรียกแมวยังไงมันก็ไม่มาจนกว่ามันได้คิวไม่เหมือนเลี้ยงมา เม like so ื่อเราเลี้ยงหมาในฝามัน <hardships> พ yeah. yeah. <m akes HHH> so ักทงเราใช่มมีคนก็พูดว่าเวลาเราเลี้ยงหมาเนี่ยหมามเรื่องเราเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเราเลียงแมวคราเชื่อมันเป็นพระเจ้าแต่ก็มีคนเลิ้ยงแทั้งวันนยอมเป็นทาสแมวใช่ไหมมีแผ่เช่อคนของบ่าวตึงเท้าของแมวคุ่นัวของบ่า ก็ขาะเราเลี้ยงแมวเลยยลี้ยงแมวที่มาไม่ต้องเรียนเราเราช่วยคนเนี่ยก็ช่วยคนเพราะว่าคิดแต่ ว, ว่าช่วยแมวแล้วกันไม่ได้ปรารถนาค่าความขั้วผู้เรียนนะครนะโฝึกฝึกรสตางค์ตาดีเลยแต่เราเลี้ยงแมวเลี้ดีๆ <c oughs> ี่มันฝึกรสตางค์ตาได้เนาเนี่ยนี่อย่างนี้การปล่อยวางไม่ต้องภาวนาแบบที่ เ, าเ ป, เปาทเไม่ได้หรอใช่ไห คุณใช้ชื่อปรจำวันาปนเรื่องแต่งงาให้ทานเนี่ยไม่ไว่าจะทาบุญกับพระถวายวัดหรือว่าช่วยเหลือได้าป็นช่วยเหลือตัวขั้นยากคุณให้ปล่อยางหรือใช้เป็นโอกาสแน่งงานปล่อยวางนะฮะทาบุญกับใครไม่ต้องให้คประกาศ ว, ว่าเราเราถ า, ายกันโน่นนี้ทาบุญอย่างคนที่เป็ น, ม, นาามีนาหรือกิองหลังพระะ แต่ทีนี้เนี่ยคนเนี่ยจะช่างหวังวาการยอมรับเวลาทำความดีทำความดีอะไรก็ทำเพื่อะไรก็ประกาศขึ้นได้ทุกนะเออถ้าถ้าทำเพราะว่าเหคนผลอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องการประกาศตัวตนอันนั้มันยิ่งไปสร้างความพิษมากขึ้น น, นะครับ เวลทาทำบุกับเวลทาทำบุที่ไหนเนี่ยไม่ต้องคาดฝังเรือเล็กน้อยเขาประกาศหมายชื่ อ, อแต่คน ว, วันนี้เนี่ยมีความพิติดใน ต, ตัวตนสูงต่อถวายการถวายชาถวายถังก็ต้องมีชื่อว่าชันถวายทำเลยจากคนสมัยก่อนไม่มีแบบนี้เลใครๆสร้าง เราสู้ไหมเขาจะจนล่เขาจะสิงไทยเศร้าเราไม่รู้่าไทยสร้างก็ไม่ทิ้งชื่ออไว้กิจกรรมฟาผุน้ำเนี่ยที่เมืองามเนี่ยเรียกว่าพุทธไทยสว่างนยถ้าเป็นสายทุยาเราไม่รู้นะร่างที่สี่เราร่างที่สามก็ไม่รู้ว่าไทยโดยรจะมีการบันทึกในที่อื่าพ่อเนี่ยตัวอินโขนที่สราบแพคคงเนี่ยว่าที่ว่ายรัจจุบิ์แต่ตัวแพคคงไม่เคยทิ้งชื่อไว้ที่ ที่วิหารที่ทติดตากับหนราวัดชัดสิซึ่งสวยงามมากเพืฟฟ่อนร้อยกว่าก็ไม่ทิ้งชื่อไว้เพราะพารู้ว่าชื่อเมืนเป็น่ปลายยาชี้ไปที้ก็เป็นให้โจกเรานี่คื อ, ค, อคือเวลาเราฝึกจากการทําความดีนี่ําความดีทำให้ใจที่ปล่อยว่ามุ่งประโยชน์กับผู้รับเป็นสําคัญที่กใกล้สุดนะเพราะหลังจากนั้นที่ยากนเช่นเดินถ่ายคล้องถาย ปล่อยวาหายแต่ของแต่ใจไม่ตูกยากตรงนั่นคือยอไม่ค่าต่างไม่โกรธเราปรวดเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในความทุกข์นในตัวคูจะมาเราต้องการใจยอมรับเราทิาม่านหนงห้าตาและเพราะให้ความทุกมาในตัวกูิ้งหนยในหน้าตาเพื่าทำให้เราทุกข์แค่ไม่โกรธไรก็ทุกข์แล้วจะมา แค่หน้าไม่สวยเนี่ยในภาพที่เขาเอาขึ้นเื่องุกเราก็ถึงทุกแล้วทำไมเอาภาพหน้าจะไม่สวยขึ้นภาพเนี่ยข <c oughs> ึ้นะเออไม่สวยก็ไม่สวยพขาถึงเวลาไม่สว ย, ขสวยขเวลาลวยวขาก็ไม่สวยจริ ง, รงความสวยไม่มีอายุ <c oughs> ใช่ไมเรามองว่าคาตอว่าดาบพอเนี่ยเป็นเครื่องจุง่มจก็ได้ แมชีสาเนี่นะเป็นแม่ชีในวัดทำกองเพลงกองหลวงปู่ขาววันนึหลวงปู่ขาวเนี่ยสั่งให้ภาคสอนรูปเนี่ยไปด่าแม่ชีแน่ชีสาตานสองรูปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องไปด่าทาตามหน้าที่ไปที่พุติก็ด่าด่า ด, า ด, าดา่าใน่ชีสางงแต่ว่าตัง้งสติได้เข้ามาัง ควาคำด่าที่ไม่โกรธรัท่านด่าจนเรได้เราต้องหยุดแม่ชีสาวพูดเาว่าอาจารย์ท่านด่าจบแล้วเหรอี่สันธรรมนัซา่าซึ้งใจเหลือเกินเสียงตูด่าที่เสียงคำรามนั้นเลยข่าวหน้าที่โมด่าหมายได้เพราะว่าจะได้โมกีสักทีคือท่านบอกว่าคาด่าเป่เครื่องลดล้ากินเลยเป็นเครื่องขูดเกี็ดเป็นเครื่องูดตานี่พอได้ ให้เรามองคำดาเนี่ยเป็นเครื่องฝูดกิเลสพูดง่ายๆคือว่าคุณใช้ทุกโอกาสนในชีวิตประจำวันนี้นเป็นเครื่องฝุดลดร่างตายได้โดยที่ไม่ต้องไปไปวัดก็ไนดะ้ไปวัดก็ดีนะมันสร้างมันสร้างพื้นฐานในการมีสติเพื่อรู้ทันอัตตาหรือกิเลสเลาโผล่ขนมาแม้จะเจอเหตุร้ายนะเจอเหตุร้ายก็ถือเป็นเครื่องฝึก มีปีนึงนั่นจะเป็นชเค้กนะสวยมากปีสเนี่ยได้เินตามมาเธอเลยพอปีสีไปรู้จักผู้ชายทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้นไม่มีเฟซบุ Hi ๊กไไฟหรือสักอย่างผู้ชายหลงรักเธอขอครอบตัวแต่เธอไม่ได้หลงรักเขาแบบนั้นพอผู้ชายรู้ความจริงของเธอไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นผู้ชายโกรธ ความ้องปรดสารหน้าเเสียโฉมทั้งไปหน้าตาบอดไปข้างคนซึ่งเคยรับภูมิใจในความสวยเจอแบบนี้นะที่คางตัวตายทุกคนแต่เธอก็เปลี่ยนใจเพราะว่าริึงแม่ก็ก็เลยไม่ทางตัวตางแต่ขอใยว่าอายที่จะไปเห็นคนที่เคยเห็นความสวย แต่เราแค่ต้องปีสองปีเราทาใจได้ทำใ จ, ำใจใได้ไงเดี๋ยวค่ออธิบายเธอไปทำงานเป็นแม่ที่แอ a เซ c e n t อ r ที่นาฬิกาแห่งหนึ่งทุกวันก็นั่งรอไฟฟ้าเธอไม่เคยผิดนะ ต, ตามหน้าตางคุณเพืถถ่อมาถามว่าคุณจิใจันไห ม, มก็เธอจะตอบรายการโทรแล้วเธอก็อตอบว่าถูกต้งล อ, ลอตงแล้วค่าล้อล้อปัญญาต้องนะครับ เคยมีคนถามคือว่าเธอเปลี่ยนผู้ชายัาไำไมเธอบอกเธอไม่เปลี่ยนเธอบอกเธออยากจะขอบคุณเธอเลยซ้าที่ทำให้เธอเป็แบบนี้เป็นแบบที่เป็นอะไรหนึ่งมีรายหยดข้ามตัวข้ามขึ้นถ้าเธอสวยนะคงจะไม่ให้มีรายหยดเพราะพอแมที่สมัยมัธยมสองมันทาให้เธอคิดเนผู้ใหมากที่เธออธิบายว่าตอนเด็กๆสมัยที่เธอเด็กเนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอทำให้เธอิติดมาก เป็นทุกข์ในความจริงติแต่พอมาเจอเหตุการแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เคยได้คิดเราไม่เคยมีสัญญรรมาใส่ใจทำว่าทุกอย่างมีวันให้รู้รวมทั้งความส่วเธอด้วยเธอบอกว่าเธอได้ตถนัดว่าให้หน้าตาเธออย่าง่าไรันก็ต้องเสื่อมไปถ้ามันไม่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในวันหน้ามันทำให้เธอปลอยมันทําให้เกิดอมีสรญญาณ ก็อบอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์อะไรเนี่ ย, ยใครจะมาพูดอะไรกับเธอเนี่ยเธอไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าใน้ต่าก่อนที่เ้องปล่อยวางไปแล้วนี่คือภาวนานะนะนี่คือการภาวน า, าของจริงนะไม่ใช่ไม่ต้องไปไ ป, ววไปที่วัดไปก็ดีแต่ว่าอย่าลืมใช้ชีวิตประจำวันเพื่อการลดต่าตานะมีโอกาสทําได้ตลอดเวลา ดัง ถ, ถ้าเราต้รองเตะถ้าเราไม่รู้ัาษาเราต้องหงิกแต่ถ้าเราคอยวางได้ก็บสบายเดี๋ยวเรื่องจากว่าเดี๋ยวประมาณ10บเอโมงนะครับเราจะเอาลิฟต์เอกเพื่อจะเห็ท่านอาจารย์ด้ฉันเพงก็มันมีอีกหข้อหนึ่งที่เราเตรียมเอาไว้ก็คือเรื่องไอยบานะครับ ท, ที่ที่ที่เกิดขึ้นใกล้วัดท่านนะ เดี๋ยวผมคิดว่าจะขอคําถามที่คำถามเดียวท่านจะถามแล้วลัางากนั้นจะให้ท่านอาจารย์ช่วยพด น, นาปัร ญ, ญายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ที่มัดแล้วก็พวกเราจะช่วยใงกันไดบน้บ้างค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับที่จะให้ท่านอาจย์ช่วยพูดได้เดเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเดือนต้นเดือนในสายนะคะ ที่เกิดไฟไหม้ต้องเคื่อนเงินดแล้วก็ญาตโดมที่อยู่ทางกรุงเทพนะคะเราต้องเพื่อได้ชีวุตด้วยพวกเราก็ตกใจแล้วก็ความรู้สึกว่าอยากช่วยเหลืออะไรทางวันะแล้วก็มีการบริจาคกันได้เงินมาก่อนเคะอันนี้ตกล้ๆก็ว่าจะเดินทางไปถวายหลข้อที่มุ่นแต่ว่ามีความไม่สะดกแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรอย่างเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดได้มง ข้อมาที so have have tomorrow, and and ่นี่เนี have have kind of ่ยก็จะมีคนได้ได้ความต่างจากหลวงพ่อมากขึ้นและวันนี้ก็รู้สึกดีมากที่ทุกทานังเรื่องธรรมะเรื่องต่างๆนะคะแต่ว่ามีเรื่องนึงที่เราควรหลวงพอให้ช่วยบรรจัยก็คือเหตุการณ์ไฟป่าแล้วก็ผนที่เกิดขึ้นรงมทั้งการโครงการต่างๆที่เรรมะจะจะทำนะคะแล้วก็เพื่อให้มีประชากรได้ยินประกาศให้วกบริจาคแล้วก อยาจะรับฟังแลอยากเจอจ้าว่ามีอะไรจะได้ช่วยถึงได้บ้างให้คุณจะทามารถถามอะไรได้หรอถามก่อนค่ะพระอาจารย์ค่ะคือดิฉันเพิ่งมาสนใจในเรื่องธรรมะเพราะว่าลูกสาวไปที่โรงเรียนทอสีแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมร่วมกับคอครั้งแรกที่มีโปกาได้รับฟังก็คือการบรรยายของพระอาจารย์แล้ก็รู้สึกว่า เราน่าจะรู้จักธรรมาขนาดนั้นกว่านี้ทีนี้เนี่ยแตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยก็คือว่าพยายามที่จะเรื่องความโกรธความโมโหหรือความเจ็บปวดอะไรที่ทำแต่เวลาทำการทำาองพราชสัจนะคคือพยายามว่าเวลาโกรธก็เห็นลบโกรธโมโหก็เห็นเราโมโหอะไรพวกนี้แต่พอเรารู้สึกว่าเราเห็นนะว่าเราโมโหเราเห็นว่าเราโกรธ และลองพยายามที่จะไปบังคับไปกดมันไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียงดังไม่โวยวายอะไรออกมาแต่พอลองมองพอเราเรู้ยุติไปได้แล้วแต่ความขุม่นัวนใจหรืออะไรพวกนี้มันไม่ได้หายไปมันกลับทําให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยและมันหนักแต่ที่เมื่อก่อนพอเราโมโหแล้วก็ป ล, ปล่อยมันออกมาด้วยคําพูดด้วยเสียงหรือด้วยกิริยาท่าทางอะไรก็ตามแต่ อันนี้คือหนูเอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเราควรจะเราเราควรจะแก้ยังไงเราเห็นจริงๆหรอว่าตัวเราโหลดเรา ท, เที่เราพยายามที่จะถหยุติมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมวิธีในการยุติของเรานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราเรียนถามอาจารย์ก็คือว่าในเวลาที่จิตใจเราอผอมแพ้วเรารู้สึ ก, กว่าเราเราผอมสั้เนี่ย แล้วเราจะต้องไปทำงานหรือทำอะไรกับบุคคลอื่นๆซึ่งเรามีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเขาและเราคิดว่าช่วยแล้วก็คือช่วยเลยแล้วก็ให้ก็คือให้เราไม่ได้หวงอะไรกลับมาเราเบอกเัวเงแาบนั้นทุกครั้งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราช่วยหรือเราทำอะไรให้เขาไปแล้วเนี่ยทั้งอันที่ปากเราบอกว่าเราไม่คิดว่ามันจะกลับคืนมาแต่มันอดไม่ได้ที่จะคาดหวัง ซึ่งมันตัดไม่ได้จริงๆตรงนี้เนะคะก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเราจะมีวิธีทํำยังไงให้เราตัดเสียงบริสุทธิ์จริงๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรค้างอยู่ในใจเพื่อของเราครับอาจารเอาขอ้ขอที่สองก่อนนะอ่าที่ธรรมดาเพราะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเราก็มักจะมีฝังค้างต่างๆมาแต่ทำไมาคิดว่า ให้เรารู้ทางความคาดหวังนะแล้วก็ให้เรามองว่าถ้าเขาถ้าการที่เขาเนี่ยไม่มาถึงแม้ทุกอย่างถึงแม้พฤติกรรมเขเนี่ยจะไ ม, ม่ไปจากที่เราคาดหวังก็ดีเหมือกันหลังการสุดเราให้ปล่อยวาและถ้าเชื่อนะเชื่อว่าความดีเนี่ยย่อมสมบูร ที่เร ว, ว่าทำดีได้ดีถึงแม้เขาจะไม่ไม่ไม่ไม่เห็นความดีของคุณเนี่ยความดีที่คุณก็ไม่เคยสูญเปล่ายังไงย่อมส่งผลตามนะอย่างเยยา ม, มาื่ก็ส่งผลที่ใจเพื่อ็นการฝึกนะให้ใจคุณเนี่ ย, ยมีเมต่างตุลาแล้วก็ปล่อยวางบ้างึ้น ลองมองอีกแง่หนึ่ก็ได้ว่าการที่เขาไม่มีความดีขเราในการจิตใจในการอธรรมอีโก้ของเราอีโก้เนี่ยหรือความีนของกูของกูเนี่ยมันต้องการให้คนมีความดีของเราต้องการให้เขาสั่งให้ทำรนี่คือตัวเองและการที่มันเจอสิ่งที่มันเป็นไปตามตามคาดหวังเนี่ยก็เป็นการอธรรม มันจะได้เลิกคาดหลังสักทีกิเลสเนี่ยนะตามใจไม่มากไม่ได้นะตามใจมากไม่ได้นะไไดวิธีที่จะเอาชนะกิเลสคือต้องให้มันเจอเจอสิ่งที่ไม่คุใจและการที่เขาไม่การที่คนคนนั้นเขาไม่ไม่ตอบกันไม่มีความร่วมร้อ เรา้พิธีกรสาพรพัดท่ที่อย่างเงี้ซึ่งทําให้มัานเนียรู้จักเจนเยอะเ็มตัวมากขึ้นมองเนี่ยมันเป็นของดนะีลองอรับประโยชน์จากมันว่าเออเข้ามาสูัเราให้เราเนียปล่อยวางให้เราลดความท้าทายทีนี้ข้อที่สองนี่คือเหนื่อยข้อแรกคือคุณเหนื่อยนะต้องึงขดอาไว้ขึงขดข่มความโกรธ คุณไม่ได้เห็นมันจริงๆแต่การที่คุณระบายไปเนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้คุณหายหายหมุนหายอักท่านแต่ข้อเสียก็มีข้อมาไปมันเป็นทิ้งทิ้งทิ้งเพลังหลักที่ใสเอาไว้ก็คือทิ้งกับทิ้งทิ้งกับทิ้งเชื่อเอาไว้ซึ่งทําให้คุณโกรธง่้ยคือ ทุกครั้งต่อไปถ้าคุณระบายความโกรธทุกครั้งต่อไปคุณจะโกรธได้ง่ายขึ้นและคุณจะขับข้ามใจได้ยากขึ้นมันก็ไม่ดีทั้งสองอยา่างระบายออกไปก็ไม่ดีเป็นรถตามใจอารมณ์ในเกิดขึ้นในตามมันก็ไม่ดีต้านมันก็ไม่ดีใต้นนตนนต ข, ขนขมเอาไว้ทางสายกลางก็คือผู้ทันธรรมธรรมาชาติของการ ธรรมชาติของทุกอารมณ์เ่วมันรู้ทันมันก็จะมันก็จะเบาเราแต่คนที่คุณรู้ทันเพียงแค่ช่วงแรกเดียวคุณรู้ทันเพียงแค่ช่วงขนาดจีบเดียวหลังจากนั้นคุณไปกดขทมมัเพราะคุณไม่ชอบความโกรธคุณลังเกียจความโกรธสตินี่นะต้องมีสติบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำเนีต้องบริสุทธิ์มันจะไไดับไฟได้ถ้าสติไม่บริสุทธิ์ก็คือมีความรู้สึกเกลียดชังความโกรธ อย่าให้ความกดกดไฟเนีายเปลี่ยนกับน้ำซึ่งมีน้ำมันคุณสร้างเข้าไปในกคงไฟเนี่ยมันดังแม้นก็ไม่ดังเพราะมันมีน้ำมันเกิอือกนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้มีสติรู้ทางเนี่ยรู้ทางแบบรู้เฉยเยรู้ซื่อือเนี่ยแต่ที่พ่อเทนสอนเนี่ยมันจะวู้ดไปเลยแต่คุณไม่ได้รู้เฉยเยคุณรู้เฉยเฉยคุณมีสติรู้ทางบบเกือบเกือแล้วคุณก็มีมกกความกดข่มคุณมีความสุขลดต่อความโกรธ ยิ่งผักสายยิ่้ติดนะอันนี้จาไว้เลยนะยิ่งผักสายเนี่ยยิ่งลดติดนะคนเรายิ่งเกยีอะไรยิ่งคิดถึงสิ่งนั้นมือเราเถ้าถ้ามันไปถูกไปถูกของของเมนนถูกปาละน้ำน้าพริกหรือขี้หมาเนี่ยไม่ชอบนะเราก็เราก็ล้างมือล้างนิ้วตอนเราล้างนี้เสร็จเราทำงานเราอระโดมเราไม่ชอบนะใช่ไหม แล้วเรามาตบนมาเราล้างเสร็จแล้วก็มาตบนใหม่ยิ่งเกียดมายิ่งตัวป่อยอันนี้เรียกว่ายิ่งขาสายที่พิติดนะขะ น, นั้นแต่ห ม, ม่ใช่คุณไม่สติยากสติรูปนรรมยังต่อเนื่องเนี่ยยากสิ่ที่คุณจะช่วยได้คือเอาใจไปอยู่กับสิ่งหน่งแทนแทนไมีได้กับลมหายใจอพอคุณลุกคุณตน้คุณกลับไปที่ลมหายใจหายใ จ, หายใจเขาไม่ลึกหายใจยาวหายใจก็าไมลึกหายใ จ, า ย, ใจ ย, ยาวสักสิบครั้ง จะช่วยทําให้ความปวดเนี่ยเบ า, างลงได้แต่สุดท้ายคุณต้องตระนักว่าที่ปรดเนี่ยเพรามีความผิดติดในตัวตุ่มของคุณคุณต้องไปไปรุ้อถอนมันนังขึ้นใช้เวลาแต่คุณก็ อ, อาจจะมองแบบให้ขีดสาก็ได้ว่าเออเขามาสอนมาสุกให้เราละ ว, วางระ ว, วางอัตาตัวตนไม่ใช่ง่ายแต่ว่าแต่ว่าทําไปบ่อยๆเนี่ยความปวดจะ เดินชินช้าแล้วก็ต่างไปได้เร็วแต่ใหม่ๆเดีพไปดูความโกรเดี๋ยวพูดไปดไปูดทันพัดหลังที่มันก่อนไม่ตนะ้องลมหายใจนะอ่ะนี้เรื่องนะก็ที่เข็มก็เอ่อเป็นเรื่องสุ่ผ่านไปแล้วขึ้นปีนะ ก็คือว่าเมื่อคือที่ปู่หลงเนี่ยเรามีการอนุรักษ์ป่าเป็นการหลับก็ว่าดได้นอกจากงานภขาวาดแลู้่หลงงเป็นป่าที่มีื้อที่ประมาณสามพัห้า 3, ร, ารา้อะไรรวมทั้งป่าข้างเคียงที่วาดเกลือกว่าห้าพันไร่เราเป็นเขตต้นน้ำทั้งหนึ่งเอเพราะคือเ ป, เป็นเขตอนุรักษ์ที่ไม่อนุ ญ, ญาตให้ คนทัพอยู่แต่ทางป่าไม้มญญไมมก็อนุญาตให้ทางดทีแล้วสิ่งที่วัดเนี่ยทำเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ป่าโดยร่งเหชว่าใมชีปู่นี่่าจะมีกลังสคัญในการในการทาเรื่องนี้ อ, อาตมาก็ทำหลายเรื่องเนีเรื่องปา่า เ, เรื่องการอนุรักษ์ป่าเนี่ยก็ให้ช่เ น, เ, นเป็นกลัง นี่ก็ทํามาต่อเนื่องนะมาแต่ปีสามสามปัญหาที่เกิดเพิ่มผู้รลงในช่วงเกือบยีสิปีที่ผ่าน ม, มาก็คือการมีคนมาตัง้งตอตัดไม้ต้นไม้ใหญ่ๆก็ถูกโ ค, ค่นเยอะตลาดตก็เปล่าลงกชาวบ้านก็ตัวตามากขึ้นนะแต่ความนี้ยังมีเพราะว่าไม้ที่แจกี่ยังมีแเด็กเพราะไม้ยี แต่สิ่ที่ทำควาเสียหายมาสุดไฟไ ฟ, ฟเนี่ยนะมาไม่เลือกว่าเป็นไม้ใหญ่ไหมไม่เลือกม้ก ห, หรือว่าไม้ยาง ไ, ไม้ที่ไรประโยชน์แล้วก็เผาแล้วก็เผ า, เ, าเป็นเรื่องที่ว่าให้งานที่ทางว้ประชบบาธรมเนี่ยในช่วงรียะหลลกกาขงการกั้งการไฟเจริญตาแนวการไฟ ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยเพราะปาที่เราดูแลคือใจแล้วก็การคลตาคมขึ้นเขาก็ไม่ใช่สะดวกทุกปีเนี่ยช่วงนั้นแรงก็ยัมีไฟเข้ามาแต่ในช่วงศิวรรที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถจะคุมไฟได้ไฟนี้ไม่สามารถจะลามเข้าไปในพื้นที่ชั้นไหยซึ่งเป็นหัวใจ เป็นไขแดงมันก็ไม่ดัานนอกเพราะเรามีานากางไฟอลายชั้นแล้วก็เราก็เต็มกาทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยมันพิเศษเพราะปีนี้เนี่ยมันแรงมากปกติเนี่ยพอที่เดินในศาลโดนตะโกนนะสงกรานต์นตตเนี่ยมไม่เคยขาดคำแต่ปีนี้สงกรานต์เนี่ยโดนก็ระโตกแล้วก็ความที่มันแห้งมากมันแรงมากเนี่ยพอจุดไฟเนี่ย ก็จุดไฟง่ายไฟเนี่ยปีนี้มันมาเดือนเมษายนปกติไม่เ็นไฟไม่เดือนเมษายนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทเมษานยนฝนก็ามาแต่ตอเราตัดไฟก็ประมาณนียภูมิคุมกกระรามีนาบ้าง แ, แต่ปีนี้เนี่ยมันมาตอนเมษายนมาสองครั้งต้นเดือนกลางเดือนต้นเดือนไม่เท่าไรนะพคุมได้ใช้เวลาหลวันเนย พนะนะอกรางเดือนสิงหาพายสัยชาวบ้านเนี่ ย, นะ ก, ยก็เพิ่งจะฉล อ, สองสงกรานมีคนมานะจุนั้นน้องก็ลามเร็วมาก้าเนี่ยที่มันแห้งเนี่ยนะเป็นร้อยๆ้อยไร่ก็เป็นเชื้ออย่างดีแล้วก็ไหม้เป็นหลายวันแล้วพอหม้ลางไปในใ น, ในเขตชั้นในเนี่ย มันต่ำยากมากเพราะว่ามันมีไม้เนี่ยไม้ใหญ่ๆที่มันไม่ขอนไฟให้ขอมันไม่ขอแล้วเนี่ยเป็นปัญหามากเพราะว่าไฟมันจะซ่อนในในในในเนื้อไม้เราตัดไม่ได้บางทีมันไหมข้างบนแล้วก็โดดแล้วกระจายไปจากข้อมีส่ต้นเราก็ได้แต่มองดู เราทําทำอะไรได่ด้ขึ้นไปก็ไมได้ดนั้นไฟสูงคอเนี่ยนะกับไฟที่มันไหม้เดือนยอดเนี่ยมันเป็นปัหามมากซึ่งทําให้ใช้เวลานานตั้ต้นเนี่ยนะเป็นเดือนนะฝนตกแล้วหลายครั้งมันก็ยังไหม้เพไม่น่าเชื่อนนะไฟสูงพอทีเป็นเดือนเนี่ยมันก็ยังไหม่ได้ มันไม่ช่ชาสิมิดนนะเสียหาย ป, ประมาณสองสามไร่สองสามตันไร่เ ป, ป็นาาปการเสียหายทางปกติการแต่ว่าชาวบ้านไค่ทอนนะช่วงเท่ากัดนที่ผ่านมาเราก็เราก็ทำแรงที่หนึ่งนะเริกก่มจากการที่เราไปคือ ต, ต้นผลเนี่ยไปวางตัวไปวางตัวทั้งปูเลย ไเพาเราอยากัว แ, แต่พราะรต้องการคุมยาม่าไม่ให้มันขึ้นถ้าคุเาะาขึ้นมาเป็นพันพ์นไน้เราเอามีองเรถ้าเกิดไฟมาแล้วเต้องการคุ ม, มิวเทเาไว้ให้ย่าขึ้นก็มีคนมาช่วยเ ป, เป็นรอยตลาดไก่พัน์วางภูพันถัวเสร็จ <Yeah. S 1> แล้วก็เริ่มพอฝนมาเริ่มฝนมา ที่ผ่านมาก็ปลูกต้นไรได้เป็นหลายหมู่ต้นนะนนะนที่ปีตัดทีไล่นะสองรอไร่ีนมันไหมสี่สองไร่เราไแ่สองรยไร่านใชวลานาแต่ว่าปีนี้ปลูกเยอะจนปลูกแทบทุกิเลยไม่ได้ยเลยทที่เลยมาอาตมาภาษาที่เขายูดว่าก็ก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าช่วงที่ไฟไหม้ และช่วงที่ปลูกถัวและช่วงที่ปลูกป่ากันมาตามมาเป็นลำต้นในช่วงข้อต่อสารเนี่ยก็มีคนมาให้ภาษาคนด้วยจนท่านก้นรู้่ึสว่ามันมีหลายที่ที่น่าจะได้ความสนใจจากผู้คน ม, มากกว่าเพราะว่าป่าเราก็ป่าพีเรกนะไม่เทีก็เพื่อขาวแข่งไม่เทีกั บ, อ, กบอ่กหลายที่แล้ว่ของเรานี่เล็กน้อยมากแต่ว่ า, จจ า, วาที่มีคนสนใจเนี่ยก็ต้องขอบคุณด้วยที่มาช่วย ซึ่งตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะตอนนี้ไม่อยู่นะพอฝนพอฝนอยู่แล้วเนี่ยการปลูกป่าอยู่แล้วก็เรเช่นทําแนวการไฟแล้วก็จะเริ่มทําทํำตุดบเก็บน้ำเพื่อทําให้ป่าชุ่มชื้นไฟจะเกิดขึ้นได้น้อยแล้วก็จะได้มีแหล่งน้ำในการดับไฟมีแหล่งน้ำในการปลูกิ้นไม้ตอนนี้ก็ก็จะกำลังจะเริ่มทำในช่วงที่อูแล ต่อทันีีไปผมคิดว่าถึงเวลานะครับเดี๋ยวจะใกล้ถึงเพจ น, นี้ก่อนที่เรจก่อนที่จะจบในคานี้เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการที่อาราธนาท่านมาในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือชาวบุรณาชนบทเนี่ยได้ร่วมกันบริจาค ช่วยเก็บเอาเรื่องตฟ ป, ป่าได้เปเ็นวิสายโยนแล้วก็ได้ทำการบูรโดยที่บว่าไปที่รยบร้อยเมือ2 7เจ็ตุลาคมในการนี้ผมอยากจะ เ, เชิญท่นทานประธานคุณพิสนุช่วยกรณาหม้อาถากกันโอนเงนให้กับ